บอกไม่ค่อยถูกค่ะหลวงพ่อมันรู้สึกว่าอย่างวันนี้พอมีอะไรเข้ามามัน ก, มนก็มันก็ดับไปอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เอามาใไขครัวระไรมากก็เห็นเกิดจะ ด, ดับพอแล้วเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอแ ล, แล้วมันนิ่งไปไหมคะไม่นิ่งไม่นิ่ง<ป>ใช่ไหมครับเป็นปกติอ เ, เอาใครจะคุยเชิญยกมือนะเชิญขอโอกาสครับหลวงพ่อ คือผมดูดูจิตดูกายอยู่ครับอยากให้หลวงพ่อใช้ได้แนละ้วใจค่อยตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันโ ล, งลง่งๆสึกไหมร่างกายเป็นของถูกดูอยู่ห่างๆแตอะไรๆมันออกห่างจากจิตไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆใช้ได้ก็ตอนนี้ต้องแก้ไขพัฒนาไม่แก้ไม่แก้ฝึกไปเรื่อยๆเห็นไหมทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นครนั่นแหละฝึกอย่างนั้แหละดูไปงั้น ถูกต้องแล้วอ๋อมีอีกคําถามนะครับหลวงพอ่อคือบางทีผมดูแล้วรู้สึกว่าบางทีเหตุเหตุการณ์ต่างๆผมบังคับได้ครับแต่ว่าผลบังคับไม่ได้ครับแต่ว่าดูไปดูมาก็เหมือนกับรู้สึกว่ามันบังคับได้ทางอ้อมครับอคือถ้าไปทําเหตุของมันนะมันก็มีผลอย่างเราทําความสงบไปเรื่อยๆเนะี้ยก็เกิดผลคือความสงบขึ้นมา เราทำอกุศลไปเรื่อยๆก็เกิดผลเป็นความชั่วร้ายขึ้นมามันดูอ้อมๆอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันจะสุดท้ายมันจะมองออกเลยว่าทุกอย่างมันบังคับไม่ได้ครับใช่ทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ทุกอย่างบังคับไม่ได้นะบังคับได้ชั่วคราวอ๋อไม่มีใครบังคับได้ตลอดนะอ๋อครับมันชั่วคราวทั้งหมดนะนะอย่างเราเข้าสมาธิเหมือนเราบังคับจิตได้พอออกจากสมาธิมันก็บังคับไม่ได้อีกแล้ว เราภาวนาจนชํานาญตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกจิตเรานิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นกลับกับถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมออกมาอีกมันเสื่อมเยอย่างผมนี่ไม่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยครับหลวงพอ่อมันต้องเพิ่มเติมไม่ไ ม, มนะไม่ต้องเพิ่มนะไม่ต้องเพิ่มเพิ่มมากกว่านี้จะแย่และ<อ>เพิ่มมากกว่านี้จะติดเพ่งละอตอนเนี้ยเริ่มไปประคองใจไว้ด้วยซ้ําไปครับรู้สึกไหมไปกดตัวเองไว้นิดนึง ตื่นเต้นอนะ่ะก็เลยไปกดมันไว้อ๋อก็ตื่นเต้นครับปล่อยมันอ <c oughs> ย่าไปกดมันใจถึงถงนะปล่อยให้หมดเลยครับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นไม่ได้ไปบังคับมันอ๋อก็ดูไปเรื่อยๆนะครับรออขอบคุณครับไปส่งไปข้างหลังคุณโตตอนนี้กายเจ็บป่วยครับต้องกายภาพบาบัดทุกวันแต่ว่าจิตนี่ร้องเพลงทุกวันเหมือนกันครับเออดูไปร่างกายมันก็กายภาพไปนะจิตมันก็ร้องเพลงไปไม่ใช่เราทั้งคู่เลยครับ แต่มันจะมีภาวะบางครั้งที่เกิดความรู้สึกกลัวครับแต่ว่าจิตก็พยายามต่อสู้อยู่ครับแต่ตว่ามอะไรนะเกิดความอะไรนะความกลัวครับก <พอ S 1> ล, วลว <vl> ัวกลัวแต่จิตก็พยายามต่อสู้อยู่แต่เหมือบางครั้งมันก็ยังยังยังไม่นิ่งพอที่จะที่จะแยกมันออกว่านี่ม <comm> ันคือสภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายครับเราฝึกมามันยังไม่ถึงจุดที่จะสู้ตรง น, นี้นะตรงที่จิตไม่ยึดถือกายต้องเป็นพระนาคาแล้ว เพราะฉะนั้นเวรเราเราเจ็บป่วยมากมอะไรเนี้ยมันอดกังวลไม่ได้เป็นเรื่องปกติเพราะเรายังยึดถือในร่างกายนี้อยู่เราดูไปถือจะยึดคือจะไม่ยึดนะ่าก็ต้องเจ็บป่วยอย่าไปปฏิเสธความเจ็บป่วยนี้ถ้าเราปฏิเสธนีจิตเราจะเศร้าหมองดูเหมือนดูคนอื่นป่วยไปเรื่อยๆพยายามคิดไปว่าร่างกายมันป่วยไม่ใช่เราป่วยส่วนจิตใจเราฟุ้งซ่านมากนะคิดพิจารณาช่วยมันเข้าไปนะตรงเนี้ยที่ว่าบางทีก็ต้องอาศัยการคิด ชิตไปเลยร่างกายมันป่วยไม่ใช่เราป่วยนะอะไรสอนมันไปเลย่ยนะจิตมันจะมีพลังของสมาธิขึ้นมาครับจิตมันมีกำลังมากขึ้นมันก็พอสู้ได้สมถะจะช่วยได้ไหมครับได้สมถะช่วยได้อ่ะคุณนี่ยกมือเชิญเออคือมันมีสภาวะสภาวะหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะครับผมคือเมื่อสักประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ผมขับรถอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมีคนเดินตัดหน้าแล้วเห็นความโกรธเกิดขึ้นแต่ทุกทีเนี่ยพอมันโกรธเนี่ยมันจะตามมาด้วยนี่โกรธแล้วนะอะไรให้ข่ามันไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันดับไป <S 2> <S 2> เฉยๆแล้วพอดับไปเฉยๆเนี่ยไอความโกรธเนี่ยมันดับไปแล้วมันเหลือแต่ไอตัวไอตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ารู้อะไรอแล้วพอทีนี้เนี่ยมันสว่างขึ้นมาอ ม, มันสว่างแบบ ไม่ใช่สว่างธรรมดามันเหมือนกับฟ้าแลบกลางวันอย่างนั้นเลยะสว่างปุ๊บขึ้นมาแล้วไอ้ตัวสว่างขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยมันลงมันลงมันลงปุ๊บนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็มันตามมาด้วยสภาวะสภาวะหนึ่งที่โอ้ยไม่รู้จะอธิบายไงคือมันแบบมันมันเย็นมันนิ่งมันมันเหมือนกับเวลามันหยุดนะฮะมันมัน มันบอกไม่ถูกคือแบบคือแบบว่าเจอเจอสภาวะนั้นเนี่ยชาติเนี้ยคุ้มมากๆคุ้มแล้วล่ะคือตายได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบแล้วหลังจากนั้นนี่ก็หลังจากนั้นมันก็หายไปฮะมันมั น, ม, นมันหายไปแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้ไปไปขนคว้าอะไรกัมันนักหนาแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยสองวันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยังไงดีวะ มันก็แบบคือแบบตัวมันหูหอวยยังไงก็ไม่ทราบนะฮะคือจัดแต่ก่อนเนี่ยเราเราค่อนข้างจะโอเคเราเกลียดทุกเรารักสุอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสุกสุขทุกๆมันก็มันแบนคือมันสภาพมันไม่มันไม่มีค่าทั้งคู่นะฮบเราข่าวนี้เนี่ยตัวมันแล้วเห็นไหมโลกภพธาตุทั้งโลกก็แบนใช่ครับเราคือตัวมันคือตัวมันเหมือนกับ มันคือมีตัวมีตนความรู้สึกนึกคิดอะไรมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นตัวเป็นตนจริงๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราไปหยิบเอาไอ้ความคิดนั่นอ่ะม า, าเป็นของเรา อ, อ่าแล้วนั่นแหละดูไปอย่างนั้นแหละนะเราค่อยเห็นของจริงแล้วว่าจริงๆแล้วสภาวะทั้งหลายไม่มีตัวมีตนหรอกควาเป็นตัวตนเกิดจากเราไปหยิบฉวยขึ้นมาไปปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองโดยตัวของมันเองไม่มีอะไรเห็นใช่ไหมโลกาธาตุนี้ราบเป็นหน้ากลองเลย ไม่มีอะไรเวลามองเนี่ยรู้สึกไหมยังอยู่ไหมลองมองไปสิผู้คนเนี่ยแบนแต๊ะไปหมดเลย <c oughs> ดีแล้วภาวนานะเราก็รู้ไปเรื่อยตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส น, นะเราก็ดูของเราไปเรื่อยเราคือทีนี้เนี่ยผมไปเปิดตามตําราดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันเราบาตำรามววไม่มีหรอก <c oughs> ตํารามันจดไปไม่ถึงนะแล้วนะแล้วมันโอ้โหมั น, มมนอย่าไปอยากบัญญัติสิว่ามันเป็นอะไร มันเป็นอะไรก็ได้ออเไม่สําคัญอ่ะที่สําคัญก็คือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ดูพองเราเรื่อยๆไปอ๋ออย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอะไรอ่ะไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมที่ผมแบบคล้ายๆกับว่ามันยังติดอยู่คือใช่หรือเปล่าวะหรือว่าไม่ใช่เรอว่าไม่ใช่หรอกวะโอเคครับผมโอเคคือถ้าใช่นะมันจะไม่รู้สึก ว่าเราบรรลุอะไรยังมันจะเห็นเลยไม่มีการบรรลนะุหรือมีการบรรลุแต่ไม่มีผู้บรรลุนะมันจะเป็นสภาวะล้วนๆเลยเห็นแต่โลกนี้ว่างเปล่ามีสภาวะล้วนๆไม่มีเราสักนิดเลยนะความเป็นเราเนี่ยเกิดจากการที่จิตไปหยิบฉวยมาพระโสดาบันนะความเป็นเราจะไม่เกิดขึ้นอีกภนะาวนาเก่งนะทุกวันนี้เวลาญาติโยมมาส่งกันบ้านเดี๋ยวนี้พระเริ่มสยด์สยองมากเลยนะ พระสารภาพกับหลวงพ่อแทบทุกวันน่ะหลวงพ่อก็ชอบนะญาติโยมส่งกันบ้างการภาวนาของพวกเราแต่ละคนนะั้พัฒนาไปในทิศทางที่น่าดูมากเลยเราได้รู้ได้เห็นความจริงของสภาวะธรรมเห็นไหมสภาวะธรรมเป็นแต่สภาวะล้วนๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปอย่งนี้เรื่อยๆนะความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่เกิดจากจิตไปหยิบฉวยเอาสภาวะนั้นมาครอบครองไว้ มันก็เริ่มรวบเอาสภาวะบางอย่างมาเป็นตัวเราเพอมีสภาวะบางอย่างที่เป็นตัวเรานะมันก็มีส่วนที่ไม่ใช่ตัวเราเราแบ่งแยกโลกออกเป็นสองส่วนมีเรากับไม่ใช่เรามีเรามีเขาขึ้นมานะนี้เราภาวนาไปเรื่อยในที่สุดมันก็เห็นแต่สภาวะล้วนๆสภาวะภายในสภาวะภายนอกก็สภาวะอย่างเดียวกันเสมอกันนะทั้งข้างในข้างนอกเสมอกันทั้งหมดเลย พอปล่อยจิตปล่อยจริงๆก็ไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกนะมีแต่สภาวะล้วนๆไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกที่ภาวนาอยู่ดีมากแล้วนะอดทนคอยรู้คอยดูสังเกตไหมมันเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจถ้าจงใจจะไม่ได้กินหรอกเวลาปุถุชนนะจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยความยากลำบากอยู่ที่ไม่รู้ทางแต่พอเคยเห็นทางแล้วเนี่ยอย่างพระโสดาสกิทาคาพระนาคาเนี่ย ความยากลําบากของท่านพวกนี้คือรู้ทางนะความรู้ทางเนี่ยพอจิตเป็นขยับงี้รู้ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะไปทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูจะบรรลุแล้วเสร็จเลยนะเสื่อมเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจไม่ต้องไปจํามันนะไม่ต้องจํามันสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไปอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรพระโสดาบันจริงๆไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นพระโสดาบันหรอกเพราะไม่มีคน มีแต่สภาวะล้วนๆเลยดูเอานะดูเอาแต่หลวงพ่อกล้าท้าเลยนะใครในห้าปีนี้นะจะต้องมีพระอริยะเกิดขึ้นจํานวนมากเลย <c oughs> เพราะอะไรไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกไม่ใช่ว่ามียานวิเศษนะพระพุทธเจ้าบอกไว้ถ้าตรัใดยังมีการเจริญสติอยู่เจริญสติปัฏฐานนะคือมีสติรู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระหารัน ไม่ได้พระราหันต์ก็ได้ผ้านาคาไม่ได้ก็รองๆองล ง, งมาได้โสดาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หลวงพ่อพยากรนะแต่พวกเราเองอ่ะได้ลงมือเจริญสติแล้วพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราทําสติปัฏฐานถูกต้องเนะี่จวัน7เดือน7จ็ดปีต้องมีผลบ้างนี่หลวงพ่อเลยสอนมาสองปีแล้วก็เหลืออีกหปีสิ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อ อวดอุตริแสดงปาฏิหาริย์พยากรณ์มรรคผลนิพพานของใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ได้พยากรณ์นะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้งั้นพวกเรามีหน้าที่อันเดียวและทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานกับสติไม่เหมือนกันสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจ สติทั่วๆไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างอยากใส่บาตรอยากทําบุญอะไรเงี้ยนะอยากสวดมนต์ไหว้พระนะสวดมนต์ไหว้พระไปใจิตใจมีความเป็นกุศลขึ้นมามันก็มีสติเหมือนกันแต่เป็นสติธรรมดาในสติอย่างโลกๆเป็นสติที่จะทําให้เราเวียนไหว่ตายเกิดไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนสติปัฏฐานเนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องเวียนไหว้ตายเกิดให้รู้ลงที่กายให้รู้ลงที่ใจนะจนวันหนึ่งเห็นจริงเลยทั้งกายทั้งใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้นล้วน ถ้าเรายังเห็นแต่กลายเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะเอาจิตอันเดียวนะยังไม่พ้นจริงแต่เมื่อใดเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆสลัดคืนจิตให้โลกก็จะคืนทุกสิ่งให้โลกไปด้วยตัวนั้นหมดงานจริงๆให้นะฝึกนะฝึกไปเราจะมีความสุขที่สุดหัดเจริญสติเบื้องต้นพอเรารู้สึกตัวเป็นมันก็เริ่ม ม, มีความสุขละมีความสุขชวยแผ่ๆขึ้นมาเองรู้สึกไหมนะในห้องนี้ทําได้สังเกือบครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งห้องนะที่ว่าอยู่ๆความสุขก็ผุดขึ้นมาเองนะ ทำได้เยอะแยะเลยหลวงพ่อไม่ได้นับจริงๆนะนับไม่ทันนะเยอะเหลือเกินนะต่อไปพอเรามีสติบ่อยๆเราเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นใจตั้งมั่นขึ้นใจตั้งมั่นก็มีความสุขใจเห็นความจริงมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขใจหลุดพ้นก็มีความสุขนะอย่าคิดมากไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนะไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบรรลุอะไรหรอกกราบน้มัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ โยมเคยมากราบหลวงพ่อเมื่อกลางปี49หลังจากนั้นโยมก็ไปฝึกเจริญสติต่อตามแนวหลวงพ่อเทียนทุกวันนี้เนี่ยโยมใช้กั น, บบนเผลอไปละคุณรู้สึกไหมเราตรึงความรู้สึกเอาไว้นิดหนึง่งปล่อยซะกราบใดที่ยังตรึงอยู่เนี่ยอริยมรรคจะไม่ยอมเกิดขึ้นในขณะนั้นนะต้องปล่อยเลยปล่อยแล้วตามรู้ตามดูไปเลยนิดเดียวเองให้รู้ไปเรื่อย แต่อย่าคิดมากนะคิดมากแล้วก็เส้นทางนี้จะยืดได้นะถ้าไม่คิดมากนะเส้นทางนี้สั้นนิดเดียวเลยอยู่ข้างหน้าเราเองนะมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่อหน้าต่อตา อ, อ, อยู่ที่ปลายจมูกนี่เองนะแค่รู้สึกตัวลืมตาตื่นขึ้นมาจิตพ้นออกจากความปรุงแต่งก็เห็นแล้วนะแต่จิตของเราเนี่ยหยุดความปรุงแต่งไม่ได้รู้สึกไหมมันทํางานตลอดเวลารู้ลงไปเรื่อยดูออกไหมมันทําได้เอง เดูอย่างนี้เรื่อยในที่สุดปัญญามันแจ้งปิ้งเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานเองนะดูลงไปเรื่อยๆอ้างว่าไปตามหลวงพ่อเจ้าค่ะทุกวันนี้โยมฝึกเจริญสติโดยการใช้การเคลื่อนไหวหรือว่า อ, อ, อิริยาบถย่อยเป็นวิหารธรรมเวลาเผลอไปก็รู้ว่าเผลอไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวก็ทำอยู่อย่างนี้ทุกวันตั้งแต่มันก็จะมีอยู่สองอย่างะคะหลวงพ่อก็คือไม่เผลอ ก็มารู้สึกหรือบางทีก็รู้ว่าไปเพง่ง uh huh. ทีนี้โยมโยมเกิดสภาวะอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าพอปฏิบัติไปเนี่ยความคิดมันก็มันก็มีอยู่ทั้งวันนะคะคือมันเหมือนกับรู้ความคิดแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยเห็นทันตอนเขาจะเกิดมัเหมือนกับเป็นเลนสองเลนบางทีรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวแต่มันก็เห็น uh huh. มันก็รู้ความคิด uh huh. มันก็คลอเคลียกันไปจะถามหลวงพ่อว uh ่า huh. ฝึกอยู่แค่เนี้ยถ้าเราคิดว่าเราทําหน้าที่อยู่แค่เนี้ยเผลอก็กลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวแค่เนี้ยตลอดอย่างจงใจรู้ถ้าเผลอแล้วมันมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเอง น, นั้นก็ถูกเป๊ะเลยเจ้าค่ะถ้าจงใจกลับมารู้มันจะแน่นแน่นใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นไหมเวลากลับมารู้ห ล, หลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเพง่งเจ้าค่ะมากไปแล้วจะไปเพ่งไหมเจ้าค่ ะ, ะเลวเเเเลาเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเผลอแล้วรู้ว่าเผลอแล้วไม่ชอบเผลอนะ ไปเพ่งไปดึงเอาไว้นี่ผิดจล้วสุดตรงไปอีกข้างหนึ่งเราภาวนาไม่ใช่เอาความรู้สึกตัวจำไว้นะเราไม่ได้ภาวนาเอาความรู้สึกตัวแต่เราต้องรู้สึกตัวเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกรู้สึกก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็เผลออีกเผลออีกแล้วก็รู้สึกอีกในที่สุดก็เห็นว่าทั้งเผลอและรู้สึกล้วนแต่ไม่เที่ยมทั้งเผลอและรู้สึกล้วนแต่บังคับไม่ได้เนี่ฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้เวลาจิตปล่อยวางก็วางทั้งคู่ไม่ได้วางอันเดียวไม่ได้วางเผลอแล้วก็เอารู้ ไม่ได้ฝึกเอารู้นะงงเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าจะขอแบบง่ายๆเพราะยมบางทียงก็งงๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆง่ายสุดๆเลยเผลอแล้วรู้ว่าเผลอแล้วเราต้องกลับมาอยู่ที่อิริยาบถในการเคลื่อนไหวมันรู้เองเผลอก็ก็ปล่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผลอใหม่ก็ไปรู้ว่าเผลอใหม่เผลอใหม่ก็รู้ว่าเผลอใหม่เราไม่ได้มาอยู่กับอิริยาบถย่อยเพื่อไม่ให้เผลอนะเจ้าค่ะอย่าเข้าใจผิดหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติ ท่านไม่ได้สอนนะว่าถ้าจิตไม่คิดจะเป็นต้นทางของการปฏิบัติเพราะฉเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้จิตคิดะะแต่เราฝึกเพื่อจะรู้ว่าจิตคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดคือเราเห็นจิตมันทํางานแล ม, นมันทําเองเนี่ยปัญญามันเกิดเพราะฉะนั้นถะ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติท่านไม่เคยสอนว่าถ้าคิดถ้าคิดนะหยุดคิดได้แล้วเป็นต้นทางปฏิบัติไม่เคยสอน ก็คือให้จับหลัก ง, ง่ายๆว่าเผลอก็ต อ, อนนั้นก็คือรู้สึกตัวละแล้วก็รอดูว่ามันจะเผลอใหม่มื่อไหร่อย่ารอน ะ, ะถ้ารอเนี่ยโลภะเกิดแล้วะนะให้เผลอไปเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เล่นๆไปเรื่อยๆนี้ไปคิดแล้วว่าที่พระโสดาเสนะียดเต็มทีแล้วนะรู้สึกไปแต่อย่าคาดหวังนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางมายากลแท้ๆเลย มันเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาถ้าคุณพยายามวิ่งไล่จับเมื่อไหร่นะมันยิ่งวิ่งหนีไปเราต้องหยุดรู้อย่างใจเย็นเย็นมันจะมาหมอบอยู่ต่อหน้าเรานี่เองอะไรนะ อ, อ๋ออยู่บ้านไม่จับนะเออดีดีใช้ได้อยู่ที่นี่มกักจะเออเรอผิดความเป็นจริงเพราะกลัวหลวงพ่อส่วนใหญ่นะอา้าวใครเชิญหมอโดนลชา ยกมือเอานี่ยังไม่ยกเลยยกใหม่สะ ก, ก่อนแล้วอาว่าไปจะค่ะขอกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีโยมที่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่ในรูปแบบอยู่ตลอดเวลาบางครั้งยืดยาวถึงเจ็ดชั่วโมงตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยโยมก็เห็นการเกิดดับของจิตเป็นระยะสั้นๆที่เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อไปเมื่อครั้งที่แล้วนะเจ้าคะตอนนี้ก็จะอยู่ในสภาวะที่แป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งเห็นจิตที่เศร้าหมองไหม ให้รู้ไปนะรู้เหมือนดูคนอื่นไปไม่ใช่เราหรอกนะไม่ต้องไปห่วงมันนะไม่ต้องไปรักษามันมันไม่ใช่เราหรอกเมือเราไม่มีส่วนได้เสียกับมันนะดูอย่างนี้นะใจถึงถึงนะมันเหมือนฟังเส้นสุดท้ายแล้วค่ะก็หลังจากที่เห็นการเกิดดับของจิตเป็นระยะที่สั้นๆแล้วก็อยู่ในความรู้สึกตัวกับความว่างตอนนี้อ่า อยู่ในรูปแบบลักษณะนั้นไปยาวๆก็จะเห็นความว่างนี่มีกําลังมากขึ้นพอควารรมว่างนั้นมีกําลังมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันอยู่บนบนหัวนะเจ้าคะตอนนี้โยมก็ไม่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกนั้นโยมก็ดูจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีบางโอกาสที่เผลอไปดูดูลักษณะนั้นมันก็มีอาการหนัหนกๆสีษะขึ้นมาตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่อยู่บนหัวเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีกําลังมากมากจนบางคืนเน่ยโยมไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางได้เยมก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าขณะที่โยมปฏิบัติอยู่เนี่ยโยมปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดหรือว่าสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไรเจ้าคะคือเราต้องลดความจริงจังลงนะปฏิบัติเล่นๆของคุณจริงจังไปเพราะเราจริงจังไปเราจะตั้งตัวผู้รู้โดดเด่นขึ้นมามันดูมาจากข้างบนนะ แล้วตัวนี้แข็งเกินไปตัวนี้แข็งเกินไปมันจะแสดงไตรักษณ์ไม่ออกมันจะนิ่งๆรู้สึกไหมอันอื่นแสดงไตรักษณ์แต่ตัวนี้จะไม่แสดงใช่เจค่ะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เท่ากับเรายัางสงวนรักษาสิ่งบางสิ่งเอาไวนะ้เช่นก็คือตัวผู้รู้นี่อย่างอย่าไปสงวนรักษามันไว้มันเกิดขึ้นมาเพราะเราเพ่งแรงสังเกตไหมตัวผู้รู้ตอนเนี้หายเป็นผู้หลงละเป็นผู้คิดนึกออกไหมนี่ดูไปอย่างนี้ เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเราจะคลายตัวนี้ออกไม่งั้นจะแข็งไปแต่ว่าตัวลักษณะที่อยู่บนศีสันเนี่ยนะเจ้าคะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่ต้องใช้เวลานานมากที่จะเกิดแล้วก็แต่ปัจจุบันระยะอาทิตย์หลังเนี่ยมันค่อนข้างจะพอเราชํานาญขึ้นมามันก็เกิดอยูอย่ตรงนี้นั่นแหละพอเราพิจารณาอาหารเช่นทําจิตสบายๆ<ม>เป็นกลางๆเนี่ย ตัวลักษณะความรูม้สึกอันนี้เขาก็จะเกิดทันทีภาวะตัวนี้ที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเขาเรียกว่าจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เนี่ยเราไม่ได้เอาไว้เพื่อจะยึดถือมันอ่าเจ้าค่ะแค่อาศัยว่ามันมีอยู่ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราผ่านมาแล้วผ่านไปเจ้าค่ะแต่ตัวมันเราต้องไม่ตรึงเอาไว้นะอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้เป็นอันขาดนะอย่าไปประคองอย่าไปรักษาปล่อยให้มันเป็นผู้หลงซะบ้าง คือคือต้องกลับเรียนหลวงพ่อตรงๆว่าเมื่อสมัยออสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโยมจะประคองตัวผู้รู้นิไว้เพราะโยมไม่เข้าใจโยมคิดว่าตัวผู้รู้นี่แหละที่จะทําให้คนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยสามารถจะสร้างขึ้นมาแต่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทําความเข้าใจแล้วก็ก็ได้หลักว่าทุกอย่างไม่ให้สนใจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โยมก็ไม่เคยสนใจโยมก็จะดูจิตมาตลอด ของโยมนะต้องลดความจงใจลงนิดนึงใจมันจะโปร่งมากกว่านี้อีนะดูเล่นๆดูหวานหวานะดูเล่นๆดูแล้วยิ้มหวานมีความสุขนะถ้าเราแข็งขึ้นมานิดนึงเนี่ยทำผิดละแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นมิจฉาที่ไม่ใช่ไม่ใช่นะจ๊ะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะถ้า<จ>เพ่งแล้วเราจะติดอย่างรวดเร็วเลยหลวงพ่อเคยไปเพ่งใส่มันเจ้าค่ะแกตั้งปีเลย มันจะหลุดออกมาหนักเจ้าค่ะหนักน่าเพราะว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ธาตุรู้อันเดียวเสร็จแล้วจิตสําคัญมั่นหมายยึดถือเอาตัวธาตุรู้นี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยก่อนหลวงปู่ดูลมรณภาพนะท่านสั่งหลวงพ่อไว้บอกพบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้พบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะว่าหลวงพ่อภาวนาทําสมาธิ เพนั้นเราทำสมาธิมาก่อนมันจะเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์ก็เลยสอนหลวงพ่อบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนไว้สองคนที่สอนแบบนี้นะสอนเหมือนกันสองคนอีกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็ไปหาหลวงปู่ดูลก่อนหลวงพ่ออาทิตย์หนึ่งครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลยเนี่ยสาวันก่อนท่านมารณภาพครั้งสุดท้ายหลวงพ่อพุธไปก่อนนั้นอาทิตย์หนึ่ง เสร็จแล้วหลวงพ่อศึกษากับหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วก็กลับมาหาหลวงพ่อพุทธณนะานโคราชจะกลับกรุงเทพนั่นแหละมาแยหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุทธ ท, ท่านก็ถามบอกว่านักปฏิบัติท่านเรียกนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรกลับเรียนท่านบอกว่าหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านก็เลยบอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานละ นะท่านเมื่อเจ็ดวันก่อนท่านไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนะแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนนี้โยมโยมจะทำยังไงที่จะไม่ออโยมต้องต้องเลิกทำไม่ใช่โยมจะทำยังไงโยมไม่ต้องทำแต่โยมเป็นคนดูเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปเรื่อยๆเราไม่ต้องทำอะไร โยมคิดไหมโยมรู้สึกว่าทํำยังไงจะถูกใจลึกๆเราคิดนะว่าทํำยังไงมันจะถูกทํำยังไงมันจะดีสิ่งที่เราต้องการคือต้องการทำนะจริงๆแล้วทําอะไรก็ผิดทําอะไรก็ใช้ไม่ได้เพราะทําอะไรก็คือปรุงแต่งให้เรารู้ทันความปรุงแต่งจิตมันทําของมันเองไม่เป็นไรให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตจิตมันทํางานเราอย่าไปปรุงแต่งจิตแต่โยมลาคาญมากเลยฮะที่เขาให้ให้รู้ว่าลาคาญ จิตไม่เป็นกลางนะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะต้องฝึกนานนะกว่าตัวนี้จะหายเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดีตัวพิเศษที่ใครๆเขาก็รักและหวงแหนกันอย่างเมื่อคืนวันที่ห้าเนี่ยโยมเกิดแรงมากกำหนดทิศทางแทบไม่ถูกให้รู้ว่ากำลังเซ่อเซออยู่ใช่รู้แค่นั้นพอละแรงมากเลยแล้วก็ให้รู้ว่าอยากกำหนดให้ถูก อยากทําให้ถูกนะให้รู้ทันความอยากนี้ให้รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันความอยากที่เกิดตามหลังมาเจ้าคครับพระพุคุณนมัมรรการหลวงพ่อเจา้าค่ะอ้าวโกบิกบิกยกมือไว้อ้าวเดี๋ยวเดียวไปทางนี้ก่อนหมอโดรชาลืมหมอโดรชาซะละพอนานมากหลวงพ่อก็ลืมถือว่าเป็นโมคะนะ ช่วงก่อนหน้านี้ค่ะหลวงพ่อคือจิตมันไปกังวลดูกายค่อนข้างมากเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปเห็นทุกข์จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตมันเนี่ยมันมีอยู่ทักสี่ห้าวันที่จิตมันกายมันไม่ได้ทุกข์มากแต่จิตมันรู้สึกทุกข์มากแล้วมันก็ทุกข์จนกระทั่งมันเหมือนเหมือนไม่อยากจะรู้สึกตัวเลยเพราะมันรู้สึกตัวขึ้นมามันเจอแต่ความทุกข์จนมันในโลกนี้มันไม่เหลือที่ที่จะยืนที่ไม่มีทุกข์นั้นว เสร็จแล้วจิตมันก็ดิ้นไม่เป็นกลางกับความเป็นทุกข์ค่ะหลวงพ่อดิ้นจนกรทั้งหมดแรงไปสัก4ี่วันแล้วเนี่ยจนกระทั่งมันตรงจุดนั้นเนี่ยรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเออมันบังคับอะไรไม่ได้จริงจกายก็บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้แล้วก็ยังยังพยายามจะสู้กับมันต่อไปอีกนิดหน่อยนี่ไงมันเกิดแรงดิ้นขึ้นีกค่ะแล้วมันก็เลยนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่าให้ลองดูไปซิว่าทุกข์เนี่ยมันเที่ยงไหม หนูก็เลยค่อยๆแบบไปดูลมหายใจแล้วก็ค่อยๆดูทุกข์มันก็เลยค่อยๆดับสงบไปนี่มันก็เลยสังเกตว่าช่วงเนี้ยจิตมันชอบเข้าไปดูมุมมุมของความทุกข์ค่อนข้างมากแล้วก็มันไม่เป็นกลางตัวสําคัญนะมันดูอะไรก็ได้ในกายในใจนี้แต่ดูแล้วจิตเป็นกลางให้รู้ทันจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันมันเลยไม่ค่อยอยากจะดูอะค่ะหลวงพ่อทางนี้มันเป็นมุมที่หนูรู้สึกว่ามันยากลําบากในการดูไม่ลําบากนะให้ดูไป แรงดิ้นยังไม่หมดหรอกอยังมีแรงดิ้นดูทุกไปอีกช่วงนี้ต้องดูไปอย่างนี้ใช่ไหมคะยังดูไม่พอแล้วอย่างนี้ช่วงนี้คือกระหนุ่รู้สึกว่ามันภาวนาแบบพยายามจะหนีด้วยกันบางทีก็แอบไปหลบทําสมถะทําเมตตาภาวนาอย่างเงี้ยคะ่ะทำได้ไงทำเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปอยู่ที่นั้นนะให้มารู้กายให้มารู้จิตของเราต่อคือถ้าเราหนีการรับรู้เนี่ยเราจะเจริญปัญญาไม่ได้ก็คือเอาเป็นที่พักไว้ชั่วคราวใช่เต็นทพักเวลาเหนื่อยมากๆนะก็กลับไปทําสมถะ พอมีเรี่ยวมีแรงแล้วนั่กลับมาดูกายดูใจต่อดูทุกต่อไปอีกทุกค้องรู้ความความเป็นกลางของของจิตมันจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่คะหลวงพ่อความเป็นกลางมันเกิดจากปัญญาปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันชั่วคราวอะไรเงี้ยมันจะเป็นกลางหรือมันบังคับไม่ได้ก็เป็นกลางช่วงนี้คือมีอะไรต้องแก้ไขไหมคะหลวงพ่อต้องทอีกต้องดูไปอีกอย่านี เรายังถูกความทุกข์เขี่ยวกลับไม่พอนะคือจิตของหมอนะเป็นจิตซึ่งมีสมาธิเยอะนะชาตินี้อาจจะไม่ได้ฝึกนะแต่ชาติก่อนนี่ฝึกมาเยอะมากนะสมาธิแรงเพราะฉะนั้นมุมที่จะสู้จนกระทั่งใจแห้งผากนะต้องเห็นทุกข์เยอะๆนะต้องสู้ไปนละ้จะเห็นทุกข์แล้วมันจะรู้สึกว่าในโลกนี้ไม่มีที่อย่างเลยแต่หมอยังมีที่หย่างรู้สึกหมหมอมีสมถะเป็นที่หย่างยังหนีได้อยู่ ถึงจุดหนึ่งนี่นะสติปัญญาทํางานหมุนจีจี จ, จีทั้งวันทั้งคืนนะสมถามันก็ไม่ลงนะ mm hmm. ทําอะไรก็ไม่ได้เพราะตัวมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงนี้ถึงทุกข์ไปอยู่ตรงอื่นไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่มีพบอันใดเลยที่ไม่ทุกข์เพราะตัวมันนั่นแหละเป็นทุกข์นี่ต้องเห็นจนเขี่ยวกล้ำถึงขนาดนี้นะถึงจะยอมวางต้องอดทนนะธรรมะเนี่ยพอขั้นสูงไปเนี่ยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องสู้ควา ม, วาดาด อ, วามอดทนไม่ได้แนละ้วอึดอัเข้าไว้นะ ทนหน้าทนดูไปตายเป็นตายอาโกบิกยกมืออยู่ข้างหลังน้าส่งไปใจลอยไปแล้วดูออกไหมเออมันต้องอย่างนี้รู้สึกไหมใช้ได้แล้วเนี่ยดูอย่างเนี้ยนะแล้วเห็นแต่สภาวะล้วนๆเลยรู้สึกไปมีความสุขไปรู้สึกไปมีความสุขไปเรื่อยๆในสุดปัญญามันปิ้งขึ้นมานะมันเห็นเลยไม่มีเราเลย มันจะไม่ใช่ว่าพอเผลอๆแล้วมันผุดความเป็นเราขึ้นมาได้อีกอย่างเรารู้สึกว่าเป็นเราเพราะเราไปรวบขึ้นมาอย่างเงี้ยความจริงนะใจเราคิดขึ้นมาใจเราคิดนึกปุงแต่งขึ้นมานะความเป็นเรานะั้นไปเป็นเงาที่ซ้อนขึ้นมามันปลุงขึ้นมาให้เรารู้ทันเรื่อยๆฝึกได้ดีนะของคุณอดทนนะคนนิดนึงใช้ได้เก่งมากด้วยซ้าไป อ้าวคบิกอิจฉาไหมเขาภาวนาดีไม่อิจฉาเลยครับแล้วไม่อิจฉาจริงๆนะไม่อิจฉาจริงๆครับผมรู้สึกยินดีด้วยกับคนที่ภาวนาดีทุกคนโอ้นี่บิกน่ารักก็ตรงนี้แหละมันถึงชื่อบิกใจมันใหญ่ครับแล้ววันนี้ก็ยังแก๊กอยู่นิดๆครับเอมีแก๊กแต่ว่าพยายามดูๆเลยว่ามันแก๊กไหมแต่เสียงนี่หล่ออยู่แล้วจริงๆครับหลวงพ่อ มันหล่อเกินจริงเนี่ยตัวจริงมันต้องอย่างนี้แบบยิ้วนิดๆแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยคือผมทําสมาธตอนก่อนนอนทุกคืนครับอาทิตย์ที่แล้วที่มามันรู้สึกว่าจิตมันสงบง่ายอะไรเงี้ยครับแต่พอช่วงที่ผ่านมาก่อนจะมาที่เนี่ยครับรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปคือมันมันจะฟุ้งซ่านกว่าเดิมแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนกับก่อนหน้านั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับมันจะฟุ้งมากกว่าเดิมก็ดีแล้วนี่อีกที่มันไม่เหมือนกัน ถ้ามันเหมือนกันเราจะไปเห็นไตรลักษ์ได้ยังไงก็มันแอบลุ้นให้มันเห็นไหมใจจริงไม่เป็นกลางนแอบุ้นอยากดีอยากดีอยากดีใจไม่เป็นกลางใจไม่เป็นกลางแล้วก็เลยปฏิเสธไตรลักษณ์ไตรลักแสดงตัวอยู่แสดงความไม่เที่ยงไม่อยากได้ลุ้นอยากให้เที่ยงพอเผลอไปแอบลุ้นที่ไรก็นึกถึงคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยครับเฮ้ยนี่เรา ทนทนทำไปเถอะมันจะสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านก็ช่างมันอย่างเงี้ยครับที่ทนทน ท, นทําเนี่ยนะก็เพื่อเราจะได้ดีนั่นแหละอือนไหมขนาดทนทนทํำนะก็ทําเพื่อเสซฟอัตราตัวตนอยู่ดีอะรู้สึกไหมตอนนี้เพิ่งรู้สึกครับที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยเพิ่ง <ứng. S 1> กระแทกคือรู้และว่าอที่เป็นเพลงกระบี่ของหลวงพ่อเลี้ยวกราดดูดันเห็ <affir me S 2> <ท>นไหมบิ๊กเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพร้อมจะรับอยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรจะส่งแล้วครับ เนี่ยเรารู้กันสองคนนะว่าถูกแทงคอหอยไปแล้วนะอา้าววิวก็ไม่ได้เรื่องเลยครับฮะใครพี่เก๋ผมผมไม่ได้เรื่องเลยครับหลวงพ่อช่วยนวดหน่อยครับเหร อ, อเจ้าชู้วบาหมูนี้ไม่เจ้าชูครับอองานเยอะงานเยอะครับ อ, อดีหน้าตางานเยอะก็ดีแล้วดีกว่าเจ้าชู้นะครับผมอย่าเจ้าชู้นะครับออดูไปอ้าตุกตา อาโบก่อนเป็นไงก็ช่วงนี้มันฟุ้งซ่านเยอะอะค่ะแล้วก็พยายามจะดูใจมันเจ้าออกไปข้างนอกดูออกไหมใจมันเจ้าออกไปให้รู้ว่ามันเจ้านะเราแบบไม่ไม่เหมือนตอนที่มาอยู่ที่วัดอะคะอ่ะตอนนี้ภาวนาดีน ะ, ะจริงเหอะเออจริงสิงวะแต่ว่ามันเจ้าไปนิดนึงค่ะ จิตรู้สึกไหมจิตปลอดโปร่งโล่งเบาะจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตมันตกใจที่จะได้คุยกับหลวงพ่อค่ะแล้วมันเลยเจ้าเวยให้รู้ทันนะค่ ะ, อะเอาทุกตาขอคําแนะนําค่ะดีขึ้นแล้วให้รู้ไปนะเอากบเครั้งนี้ข้างนี้กัอนก็ได้เอาคุณเสื้อเขีย ว, เ, ยวเอาเอาสักขวดหนึ่งก็แล้วกันนะกบส่งก่อนแล้วกันนะคะหลวงพ่อคะตอนนี้มันภาวนาเหมือนมัน ตีลังกาไปตีลังกามาอยากให้หลวงพ่อใจไม่ตั้งมั่นนะใจมันกระจายกระจายออกไปเพิ่งเพิ่งเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะอแล้วที่จิตมันเข้าฐานที่มันลอยออกมาจากฐานนี้มันกลับเข้าไปหรือยังคะกัรู้สึกยังยังไม่เข้าอให้รู้ทันว่าจิตมันยังไม่เข้าฐานอันนี้เป็นเพราะเราอ่อนสมถะใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ใช่เป็นเพราะมันไม่เที่ยงอย่าคิดว่าจะไปเพิ่มสมถะแล้วมันจะอยู่ตลอดนะมันจะกลายเป็นเพ่ง ทำไมไม่ยอมดูเป็นไตรลักษ์เห็นไหมนึกออกไหมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะชอบโทษขาดอันนูน้นขาดอันนี้ต้องไปทําอันนู้นเพิ่มต้องไปทําอันนี้เพิ่มเราไม่ยอมดูว่านี่แหละคือไตรลักษ์ใช่เพราะว่ากดรู้สึกว่าทําสมาะิยังไงไงมันก็ยังไม่เข้าไม่เข้าอืเพราะทาด้วยโลภะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อเอามาเสือเเส้อเขียวคุณเสื้อเขียวคุณโตรู้สึกไหมจิตมีแรงสว่างขึ้นมามเพราะอะไรเพราะใจเรายอมรับสภาวะ มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่สบายรู้มันไปนมันไม่สบายมันไม่ใช่เรานะช่วยมันพิจารณานิดหนึง่งแล้วพอจิตมันมีแรงเราก็เลิกพิจารณาเรามาดูของจริงนะการพิจารณาเป็นอุบายช่วยมันชั่วคราวหลวงปู่เดินเคยสอรบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดตัวนี้อาศัยคิดนะอาศัยคิดช่วยมันนิดนึงอาเชิญค่ะกาบนรัศการเจ้าค่ะหลวงพ่อ เมื่อไปปลายอาทิตย์ที่แล้วจนถึงต้นอาทิตย์นี้สะบักสะบอมมากเพราะว่าเหนื่อยกับกสังขารตัวเองด้วยที่ป่วยเพราะว่าเวลาพรนาจะหอบค่ะจนจนมาวันอังคารมานั่งพิจารณาว่าเราไปยึดไปเกิดกิเลสนะฮะเกิดกิเลสในการยึดในการที่เราอยากจะได้ดีจน จนปล่อยวางแล้วก็มานั่งต่อนั่งต่อทีนี้มีความรู้สึกว่าตรงที่เรานั่งมันเต็มเต็มคือคือพิจารณาว่ากิเลส ท, ที่เราคิดว่ามีนะ่ะคือเราเราปิดหมดแล้วนั่งสักพักหนึ่งปรากฏว่าข้างหน้ามันเกิดล่องค่ะโผล่ขึ้นมาอโผล่ขึ้นมาปุ๊บเรารู้เลยว่าอ่ะมันไม่มันไม่ปิดจริงนี่มันโผล่ขึ้นมาเมื่อโผล่ขึ้นมาปุ๊บเรารู้ปุ๊บมันปิดต่ออปิดต่อสักพักมันโผล่มาข้างหลังอีกออดี oh, มันโผล่มาข้างล่างอีกเลยคิดว่าโอ้โหมันมันโผล่อย่างเงี้ยเหรอจนแบบที่เราคิดมาคือคือเราเกิดความอยา ก, ก่อนเกิดตัณหาขึ้นมาในสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหลาย<ม>คือเกิดจากตัณหาทั้งนั้น<ม>จนมาวันอังคารไปรับลูกสาวนั่งรออยู่ที่รถก็นั่งฟังธรรมะหลวงพ่อแต่ใจไม่ค่อยได้อยู่กับธรรมะจนเผลอหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกว่าสังขารทั้งหลายถ้ามันจะดับไป โดยที่มีวิบากกรรมเก่ามาตัดรอนช่วงนั้นสติเกิดขึ้นมาเต็มที่เลยปล่อยหลุดหมดเลยอจนจนวันเนี้ยฮะนั่งรถมานี่สติเกิดตลอดจนมาเห็นหลวงพ่อนั่งสอนจนเห็นพระกราบหนูก็เผลอไปดูแล้วก็คิดว่าเราเผลอไปดูจนหลวงพ่อชมคนนู้นคนนี้หนูก็เมื่อกี้นี่ข้างหน้าหนูก็ อาดีใจแทนเขาอ๋อมอกี้ดีใจนะหนูก็ตามดูตลอดค่ะจนรับใหม่มาเจ้าค่ะดีนะให้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้ของโชคราวทั้งหมดเลยความปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้นะให้คอยรู้ความจริงไปเพราใจเราอยอมรับความจริงเราก็ไม่ทุกข์ สิ่งทั้งหลายในกายในใจนี้มันโชคราภทั้งหมดถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราถึงจะทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ทุกข์หรอกนะให้ดูไปเรื่อยๆดีนะที่ฝึกอยู่เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้โยมภาวนาเก่งเยอะแยะเลยนะอ่ะคนนี้ยกมืออ่ะคนนู้นคนนู้นเกิดก็ได้พิงเสาอยู่ใกลนะ้แล้วเดี๋ยวมาข้างหน้านี้นะเดี๋ยวคุณกล่าวนามสกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะพบหลวงพ่อครั้งแรกที่สาลาลุงชินตอนปีสี่เก้าก็ ครั้งแรกๆก็ฟังไม่เข้าใจเลยแต่พอฟังไปย่ม่ไปสูงพอฟังไปได้สักสองสมเดือนนะเจ้าค่ะสองสาครั้งก็รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาอจนได้ไปภาวนาก็รู้สึกตัวตามที่หลวงพ่อสอนจนมาอยู่ครั้งหนึ่งเคยนั่งสมาธิตอนกลางคืนแล้วเน็บมันชา ม, มากเราก็ตั้งใจว่าจะไม่ออกจนกว่าเราจะตั้งใจไว้พอหลังจากนั้นเราออกจากสมาธิเราไม่เราไม่รู้สึกตัวเลยเจ้าค่ะ ไม่รู้สึกเลยแต่ว่ามันมีความเจ็บแต่ใจเราไม่เจ็บเลยเจ้าค่ะความเจ็บก็อยู่ส่วนความเจ็บมันเป็นคนละขันกันร่างกายก็ไม่ได้เจ็บดูออกไหมร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งความเจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งจิตของเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วแต่ละส่วนแต่ละส่วนล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงดูไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยเจอสภาวะนั้นอีกเลยนะเจ้าค่ะไม่เจออะไรนะไม่เคยเจอสภาวะนั้นอีกเลยเจ้าค่ะไม่เจอก็ไม่เจอแต่ว่ารู้สึกตัวอยู่ตลอดดีแล้วฝึกไป อะไรก็ไม่สําคัญเท่ารู้สึกตัวนะแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยแต่ปกติเวลาทํางานนะเจ้าคะ่ะคืองานก็เป็นงานสบายๆไม่ได้ใช้ความคิดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าตอนเวลารู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ดีๆก็จะมีเสียงภาวนาเช่นเวลาเราสวดมนต์จะชอบสวดพิจารณาสังขาร น, นะเจ้าคะ่ะก็มันจะลอยๆขึ้นมา เ, เป็นเรื่อยๆเลยเ<ช>ค่ะใจมันเคยชินอย่างนั้น อันนี้เรียกว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาเจ้าคะใจใจมันคุ้นเคยมันก็ปลุงการสวดขึ้นมาการพิจารณาขึ้นมาให้เราดูไปว่าเขาทํางานของเขาเองนะอย่างนี้ถึงจะเจริญปัญญาได้มันทํางานเองมันสวดขึ้นมาเองรู้สึกไหมมันไม่ใช่เราสวดเนี่ยถ้าเราภาวนารู้อยู่ในกายในใจแล้วเห็นว่ามันทํางานของมันเองไม่ใช่เราทํานะอย่างนี้เป็นการเจริญปัญญาทําวิปัสนาอยู่มันทําเอง แต่ถ้ามันสวดขึ้นมาถามว่ามันสวดเพราะอะไรเพราะมันเคยชินที่จะสวดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรบางคนไม่สวดมนต์นะบางคนร้องเพลงแล้วบางคนร้องเพลงไม่ได้ร้องจบเพลงร้องวักเดียวใครเคยเป็นไหมโรคประสาทจะกินน้ำ <c oughs> ลาคานร้องอยู่ได้อยู่วักเดียว <c oughs> ถ้ามองให้เป็นก็คือเห็นไตรลักษณ์จิตมันจะร้องหนึ่งวักใครจะทำอะไรมัน แต่เบสบายขึ้นมากเจ้าค่ะตัง <DC S 1> ้งแต่จัดทำมาดภาวนานะถูกนะที่หลวงพ่อบอกไงต้องทนท น, น, นฟังหลวงพ่อทีแรกไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกต้องฟังสองสาครั้งค่ะพอสองสมครั้งนั้นพอเรามีสติตื่นขึ้นมาแล้วที่เหลือมันจะพัฒนาเองอย่างรวดเร็วมีคําว่ารวดเร็วด้วยใช่เจ้าค่ะเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเราลุสึกได้ด้วยตัวเองว่าเปลี่ยนหน้าตาเราก็สวยขึ้นนะมีใครชมไหม หน้าตาจะเปลี่ยนนะไม่อยากบอกเจ้าค่ะมีคนชมเจ้าค่ะนั่นแหละเห็นมฟังธรรมะน่าจะสวยขึ้นไม่ใช่เรื่องโกหกนะห้ามพระดูนะห้ามพระบอกกับสวัสดีพระอาจารย์ค่ะสิงเกียร์อยู่อีก็อยากให้พระอาจารย์ตรวจดูสภาวะธรรมขณะนี้ปล่อยนะปล่อยให้ใจทำงานอย่างอิสระอย่าไปคุมมันอย่าไปกดมันถ้ากดแล้วมันจะซึมซมไปนิดนึง รู้สึกไหมมันซึมไปนิดหน่อยมันมัวมัวนิดนึงซึมซึมนะให้รู้ไปว่ามันมัวรู้ว่ามันซึมมันมีโมหะเราก็รู้ไปรู้อย่างเป็นกลางแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะถามค่ะคือไม่ทราบจิตเป็นอะไระน้องสาวไปปฏิบัติธรรมที่วัดสามวันเมื่อวานเขาก็ยังไม่กลับแต่เราเดินผ่านในบ้านเนี่ยเราเห็นเขาแบบ เหมือนนั่งคอตกอยู่มันมีทุกข์มีอะไรนั่งคอตกอยู่อย่างนจิตเกี่ยวข้องอะไรกันคะเขาคงคิดถึงบ้านเลยหลวงพ่อเห็นบ่อยๆไปเดี๋ยวคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาแบบมังอยากมาวัดมีหลายครั้งแล้ว่ค่ะที่คนในบ้านไม่อยู่แต่เราจะเห็นเขากําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วพออีกสองวันก็จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอให้รู้ทันว่าเรากังวลแล้วแต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวเองช่วยไม่ได้ ค่ะอ่ะคุณนี้อันนี้ก่อนนี้คนนี้คือ ย, ยกไว้ก่อนนะเอาคุณไหนๆก็ใต้มาแล้วกรบาบนมัสการหลวงพ่อครับขอถามสองข้อครับ อ, อ, อาทิตย์สองอาทิตย์มารู้สึกว่ามันจะมีคล้ายๆก้อนเนื้ออะไรสักอย่างประมาณนี้นะอยู่ๆก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะครับมั น, นผมเป็นปกตินะผมทําผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดมันเกิดจากจงใจปฏิบัติ อ, อถ้าเราจงใจเราตั้งใจจะทํามันจะแน่นๆขึ้นมาเป็นก้อนๆขึ้นมาใช่ครับถ้าตั้งใจแรงก็ก้อนนี้หนักมากแล้วก็ใหญ่ถ้าตั้งใจนิดหน่อยก็ก้อนเล็กๆหน่อยออนะครับผมสแสดงว่าทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับทาเหมือนเดิมแต่ก็รู้รู้เล่นเล่นถ้าคุณรู้เล่นเ่นนะไอ้ก้อนนี้จะหายไปครับผมอีกข้อนึงขออนุญาตหลวงพ่อแจกซีดีได้ครับเพราะไลฟ์ซีดีแจกชาวบ้านเยอะเลยครับแล้วก็ มีฟีดแบคกลับมาด้วยครับพอแจกแจกเข้าไปสองสาวันนะโทรมาบอกนะครับว่าให้เงินเข้าล้านนึงเขาไม่ดีใจเท่าได้ซีดีหลวงพ่อไปนะนะอยากจะเล่าให้หลวงพ่อฟังโดีนะนแสดงว่าหลวงพ่อรวยมากเลย <laughs> วันหนึ่งแจกเปร้อยร้อยล้าน กลับหลวงพ่อค่ะคือตอนที่จิตมันเพ่งเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกเลยว่ามันเกิดจากว่าเราเนี่ยพออยากดีเสร็จแล้วมันมันก็เลยไปกดมันนะคะไม่ให้มันคิดไม่ดีเสร็จแล้วพอเวลาหลังจากที่เรารู้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นหน่อยนึงแต่มันวิเคราะห์ต่อค่ะมันก็วิเคราะห์วิเคราะห์ของมันไปอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะตอนที่มันวิเคราะห์นะให้เรารู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่รู้ทันเข้าไปเลยว่ามันฟุ้งซ่านอยู่ แล้วเราต้องไม่ต้องทำอะไรก็ดูเฉยๆว่ามันฟุ้งซ่านนะค่ะเขาคุณชื่ออะไรคะคุณสวงค่ะใช่อ๋อโทษค่ะใช่เนี่ยเออชื่อวีเหรอพนานดีดูไปเรื่อยนะดูสบายๆดูเนียนๆกว่านี้ดูสบายกว่านี้นี่แรงไปแข็งไปเมื่อกี้ใครยกอยู่แถวนี้อ๋นี่หนูอีกนิดนึงค่ะอว่าไป เห็นเวลาบางทีมันเห็นว่าจิตเนี่ยมันแกล้งเผลออะค่ะเออมันแกล้งเผลอมันไม่เผลอจริงนะอย่างบางทีเราภาวนานะเราเพ่งอยู่เรารู้นี่เคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าต้องเผลอเผอแล้วมันหายเพ่งนะเราก็แกล้งเผลอมันไม่ยอมไปหรอกกิเลสนะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งไม่มีใครหลอกกิเลสได้มีแต่กิเลสหลอกเราอย่าคิดจะหลอกมันเลยอยแกล้งเผลออะไรเงี้ยไม่มีทางอะ ในขณะที่ความเป็นจริงก็คือตอนที่แกล้งเผลอนะเผลออยู่เรียบร้อยแล้วแต่ยังนึกว่ายังไม่เผลออืมค่ะขอบคุณค่ะอาคุณผู้ชายใส่แว่นแล้วก็คุณผู้หญิงผมยาวเบอร์43น้ำมักาลหลวงพ่อนะครับตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ครับก็ช่วงนี้ต้องทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความคิดเยอะนะครับต้องเรียนหนังสือแล้วก็รู้สึกว่า คือมันเป็นมาคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นพอลืมตาขึ้นมามันก็เริ่มคิดถึงเรื่องสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดอยู่จนกระทั่งเข้านอนเวลาที่ช้ามันก็ยังคิดอยู่ก็ตามไปเรื่อยๆแต่ว่าบางทีเป็นคนที่สนุกกับการคิดด้วยบางครับมันก็เลยบางทีมันก็จะรู้ตัวช้าใช้เวลานานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำนิดนึงเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนานพอที่ <พอ S 2> ทคุณฝึกนะอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วหน้าที่คุณก็คือรู้ไปเรื่อยๆ ใช่ได้แล้วครับผมพอดีจะไม่ได้อยู่เมืองไทยนานนะครับทีนี้หลวงพ่อมีข้อแนะนําอะไรไหมครับก็อยู่กับปัจจุบันอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเลยจริงๆเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราอยู่ปัจจุบันขอบคนมากครับกรามนมัสการพระอาจารย์นะคะพอดีเพิ่งเพิ่งเริ่มมาครั้งแรกอยากจะขอคาแนะนําพระอาจารย์ว่าเริ่มปฏิบัติยังไงดีอะค่ะเริ่มง่ายเลยถ้าใครเข้าชมเราเราดีใจใจเราพองเคยเห็นไหม ใครเข้ามาว่าเรานะใจเราเดือดปุด ป, ด ป, ดปดวดปวดปวดเราเขารู้นะหน้าตาขี้มโมโหนะ <c oughs> เพะฉะนั้นเราดูความโมโหไปเรื่อยๆนะอย่างขนาดนี้ตื่นเต้นใช้ได้ใช่<ล>ใ ช, <sau> ใช่ตื่นเต้นใช้ได้เลย <c oughs> <c oughs> ถูกต้องแล้ว <c oughs> ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นต น, ต น, ต น, ต น, นะเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์เฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยดูอะไรไม่รู้เรื่องรู้ว่าดูไม่รู้เรื่องสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยเรียกรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ อ้าต่อไปใครมีไหมอ่ะเปลินกรดับไปประคองอีกแล้วอะค่ะหลวงพอ่อมัโหไหมนิดหน่อยอะค่ะเออให้รู้นะนิดหน่อยเพระรู้ทันค่ะคือช่วงหลังๆเปิ้นจะเห็นเกิดดับอ่ะแล้วเพิ่มมานนั่งเมื่อเช้าเนี่ยเปลินเห็นว่าจริงๆอะเปลินบีให้มันดับแบบอื ม, อมบีให้มันดับค่ะหลวงพอ่ออะไรนะอะไรคือเห็นเกิดดับที่มันเกิดเองอะ่ะแล้วคือช่วงหลังๆมันเห็นที่ไงคะ เราก็รู้สึกว่าเพิ่งมาเพิ่งมารู้ตัวเมื่อเช้าตอนนั่งที่เสือเนี่ยค่ะว่าคือจริงๆเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยเปิ้นจะไปบี้ให้มันดับเลยอะ่ะออดีที่รู้ทันนะไม่บี้หรอกนะเอามาครั้งนี้คนนี้ค่ะเอออยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะคือปฏิบัติมาระยะหนึ่งหลังจากฟังซีดีแล้วไม่ทราบว่าติดนิ่งหรือติดเพ่งหรือยังติดอยู่ยังเหลืออยู่ไอ้ที่ทําไว้ก่อนๆมันยังไม่หมดนะยังติดเพ่งอยู่ ใจยังซึมอยู่นิดหนึง่งเราควรจะแก้ไข ย, ยังไงเจ้าค่ะไม่แก้นะให้คอยกระทบอารมณ์ไปเรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบไปเรื่อยนะกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาแล้วคอยรู้ไปเรื่อยๆไปกระทบอารมณ์บ่อยๆถ้ากระทบบ่อยๆมันจะไม่ค่อยไปติดนิ่งมันจะแกว่งแหว่งแล้วเราคอยรู้เอาขออีกหนึ่งคำถามเออเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะ เออมันจะมีอาการเหมือนรัดแน่นบริเวณแขนกระขานี่แล้วก็ชอบลืมตาค่ะผิดไหมเจ้คาค่ะอ่าวส่งไปแล้วนั่งให้หลวงพ่อดูนั่งเลยนั่งให้ทําเหมือนที่ทำจริงจริงนะลืมหลวงพ่อไปอย่าอย่านึกว่ากําลังทําโชยอยู่นึกว่าเราอยู่บ้านเราทําจริงๆอ้าส่งกันบ้านส่งกันบ้านคะ่ะหลวงพ่อก็ที่ที่ผ่านมาก็ฟังตรงเนี้เราน้อมจิตลงไปแล้วคุณรู้สึกไหมเราน้อมใจลงไป อย่าน้อมเข้าไปอย่างนี้น้อมเข้าไปอย่างงี้จะซึมนะคุณรู้สึกตัวไว้นั่งดูไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆอย่าน้อมใจให้ให้ไหลเข้าไปอย่างตะกีน้นี้น้อมไปอย่างตะเกียบทาให้ซึมเอาใหม่เนี่ยน้อมไปที่เดิมอีกแล้วด้วยความเคยชินรู้สึกไหมรู้สึกธรรมดาไม่ใช่น้อมใจเข้าไปนั่งดูตัวนี้มันหายใจไปดูไปอย่างสบายๆดูอย่างมีความสุขเห็นตัวที่กําลังหายใจอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเหมือนใครคนหนึ่งมานั่งหายใจให้เราดูอยู่ตรงนี้อย่าน้อมใจลงไปซึมซึมนิ่งๆเนี่ยไหลลงไปแล้วด้วยความเคยชินลืมตาขึ้นมาลืมตาลืมตาแล้วหายใจแรงๆทีนึออนะให้รู้ตัวขึ้นมาอย่างนี้รู้ตัวแล้วก็นั่งดูตัวนี้หายใจตรงนี้ไปกดจิตให้แข็งไปแล้วอพอแล้วไม่ต้องนั่งแล้วถ้านั่งเดี๋ยวจะติดซึมนั่งแบบแตะเกียบมันจะติดซึม หลวงพ่อคัคือก็เหมือนกับมหัตู้รู้สึกตัวให้เป็นใหมะะอ่อะค่ะอก็ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเออมันมีกิเลสเยอะก็ช่างมันก็ดูมันไปอ่ะคะ่ะอันนี้จะถามหลวงพ่อว่าที่ดูมาเนี่ยคะ่ะคุณรู้สึกไหมมันมีตัวเราพผดขึ้นมาดูออกไหมมันมีความคิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลวงพ่อพูดกับคุณอะไรนะั้นดูออกหรือยังมันมีเราโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเรายังไม่ใช่พระโสดาบันพระโสดาบันั้นมันจะไม่โผล่ ควรจะดีใจนะที่เห็นนะไม่งั้นจะถูกมันหลอกเราจะรู้สึกไม่มีแล้วไม่มีแล้วควจริงเราไม่ทันดูในขณะที่มีสติเนี่ยนะสักยัตทิฐิคือความเป็นตัวเราเนี้จะไม่มีงั้นสติของคุณนี่มันถี่ยิบไปหมดแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีตัวเราแต่พอเผลอเมื่อไหร่นะด้วยความเคยชินนะมันจะสร้างอิมเมจแห่งความเป็นตัวเราขึ้นมาอีกเมื่อกี้เห็นแล้วยังใช้ได้ละดีละเออหลวงพ่อโล่งใจนะหลวงพ่อเวียนอยู่กับคุณนี่มาตั้งนานแล้ว นะรอให้คุณเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้คุณเห็นนะถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะหายข้องใจมันนะแล้วก็ดูไปเรื่อยนะแล้ววันที่ได้โสดาจริงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วจะไม่มีอิมเมจตะกี้นี้ขึ้นมาอ้าว่าไปเหนืนะ่อยเนาะนวันหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวขอหายใจก่อนพ <laughs> อเวลานอกนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านไม่เหนื่อยเท่าหลวงพ่อเพราะคนที่ภาวนาแล้ว ถ้าไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรเงี้ยมีไม่มากนานๆจะมีสักคนหนึ่งหลวงพ่อพยายามสอนให้พวกเรารู้สภาวะ ร, รู้สภาวะนะส่งกันบ้านในเรื่องสภาวะล้วนๆเลยการตรวจการบ้านเรื่องสภาวะนะต้องพิธีพิถันมากต้องว่องไวจังหวะไหนจะเสียบพอหอยใครต้องเอาคนนั้นนะจะจี้คนไหนแล้วคนนั้นจะเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันมีจังหวะนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ามานั่งอ้าหลวงพ่อสอนไปให้หนูเข้าใจหนูไม่เข้าใจหรอกสอนสอนคนนู้นทีแล้วกลกลับมาใส่ทีหนึ่งเข้าใจอย่างนี้ได้เพราะงั้นมันใช้แรงเยอะมากเลยเหมือนเรากำลังรํากระ บ, บี่สู้กับคนสองร้อยคนเนี่ยอ้าเหนื่อย <c oughs> เดี๋ยวนะยังมีเวลาใจเย็นๆ <c oughs> แต่คนอื่นถ้าไม่ทันก็ถือว่าเป็นกรรมนะ <c oughs> เอาซีดีไปฟังอ่ะ สู้ตายนะว่าไปเรงใจหลวงพ่อเราไม่ค่อยกล้าถามอา้าวว่าไปว่าไปก็จะจะกราบถามหลวงพ่อว่าที่ผ่านมาพยายามก็คือรู้สึกตัวเล่นๆนะคะ<อ>คือพยายามจะรู้สึกตัวให้เป็นนะคะคุณรู้สึกไหมจิตใจคุณสบายปัตจกบน ค่ะรูสึกโลมันโลกมันเบามากขึ้นอ่าพอรู้ตัวเล่นๆแล้วก็ไม่สนใจว่ามันจะดีมันจะเลวมันเลวก็ดูมันอย่างเงี้ยฮะน่านมันต้องอย่างนั้นหือเรียกว่าภาวนาเป็นก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเลวรู้ว่าเลวค่ะดีรู้ว่าดีเลวบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าตลอดทั้งวันหลงละค่ะอินในการคุยละเนี่ยตรึงไว้ให้นิ่งละ เอาใหม่ค่ะหลวงพ่อคือคือจะแน่นแน่นทั้งวันมากกว่าที่จะรู้สึกเบาๆค่ะก็แสดงว่ามันมีแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะกดมาตลอดเลยตอนนี้เพิ่งจะเลิกแล้วก็เลยรู้ทันว่ามันแน่นแต่เดิมนี่มันแน่นตลอดเราไม่รู้ว่าแน่นเหมือนแต่เดิมนี่ยเราแบกไปไหนเราก็แบกเข้าสารไปถังหนึ่งแบกทุกวันเลยนะเราไม่เคยวางลงไปเราก็ไม่รู้สึกหนักเท่าไหร่ วันหนึ่งเราวางลงไปแล้วเรายกขึ้นมาครั้งที่สองเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันหนักของคุณตอนนี้คุณรู้ว่ามันหนักแล้วการที่จิตไปแบกบแต่เดิมแบกตลอดไม่รู้สึกว่านหนักไม่ใช่ภาวนาแย่ลงนะภาวนาดีขึ้นถึงได้เห็นว่ามันหนักค่ะก็ตะกี้ก่อนหน้าที่จะรายงานหลวงพ่อเขารู้สึกว่ามันมันทำอะไรมันหนักอะค่ะคนนี้นะนก่อนจะพูดกับหลวงพ่อนะมีการฮึดสู้ด้วย นนาิดดูีพ่อจะบอกว่าเป็นคนคิดมากยางนานก็แบบปล่อยตั้ง<ะ>ใจใหม่ทุกคนอ้าฉัดขอคำแ น, นะนำนะที่เกียรติส่งกันบ้านมักง่ายอา้าวภาวนาเป็นไงก็ยังอัดอัดอยู่ครับเออว่าไปอย่างนั้นสิน่ารักหน่อยดูไปอัดอัดก็รู้ไปนะขาดีขึ้นแล้วเนื้อดีละเอ้าวจิรัต อจะส่งกันบ้านนะเชิญก็เออมันมีบางสภาวะค่ะหลวงพ่อเคยเห็นอาการเจ็บ พอเห็นเสร็จแล้วมันแยกออกมาเคยได้ยินคนอื่นเขาบอกว่าเจ็บแล้วทําไมเขารู้สึกไปเจ็บมากขึ้นอะไรนะคือเคยได้ฟังพี่บางคนเขาบอกเวลาเขาเจ็บแล้วเขาไปรู้ปรากฏว่าเขาเจ็บมากกว่าเดิมอออันนั้นไปเพ่งใส่ความเจ็บแต่ของหนูเพาพอเจ็บแล้วปรากฏว่ามันเหมือนกับมีอะไรกระโดดออกจากตัวเรามาดูวยเนี่ยตัวเจ็บแล้วก็จิตมันก็แยกไปอีกส่วนนึ่งจิตมันอยู่อีกส่วนหนึ่งมันก็เจ็บน้อยลงมันเหลือแต่ความเจ็บที่แท้จริงมันเห็นแต่ว่าร่างเห็นไอ้เนี้ยมันเจ็บอยู่เฉยเฉยอะค่ะนั่นแหละเป็นความเจ็บที่แท้จริงของมัน คน<ต>ส่วนใหญ่นะเวลาเจ็บแล้วจะบวกความเจ็บปลอมๆเข้าไปด้วยแต่มันไม่เข้าไปรู้สึกร่วมกับมันเลย ม, มันแค่เพียงแค่รู้เฉยๆครับวงพ่อบอกให้นะพวกสาวๆทั้งหลายที่บอกว่ามีประจำเดือนมีรอบเดือนแล้วปวดมากอะ่ะมันมีสองปวดซ้อนกันอยู่ปวดหนึ่งเป็นปวดจริงๆซึ่งไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นบางคนซึ่งผิดปกติจริงๆนะอีกปวดหนึ่งเนี้ยจิตไปขยายมันออกมาจิตเราเชื่อว่าต้องปวดนะงั้นเราไปขยายความปวดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติอย่างของคุณเนี่ย ปวดมันจะเหลือแต่ความปวดแท้ๆมันจะลดลงไปตั้งเยอะเนละไม่ต้องกินยาเลยบางทีนะไปฝึกหน้าฝึกเห็นไหมฝึกกรรมฐานแล้วดีหลายอย่างแก้ปวดประจำเดือนได้ด้วยแล้วก็ตอนช่วงหลังเวลาเดินจงกรมค่ะเวลาเดินไม่เดินปกติอะไระค่ะมันจะเห็นเหมือนกับตัวร่างกายคือร่างกายเดินแล้วไม่รู้ค่ะทีเ่<ช>เราเป็นคนดูใช่ค่ะมั น, น, นจะเห็นแยก ๆ, ๆออ ก, กสองส่วนสังเกตไม่ทันทีที่แยกออกมาเนี่ยกายไม่ใช่เรา เวทนาความเจ็บความปวดก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้ยังเป็นเราอยู่ต่อไปดูไปเรื่อยถึงว่าหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่เป็นเราจนะาเป็นพระโสดาบันก็บางครั้งเวลาเดินแล้วยอยู่มันหยุดกึกมันจะมีใจแบบเหมือนกับเถียงว่าอยากเดินอีกก้าวนึงนะ่ะมีความ อ, อยากเดินให้เรารู้ทันความอยากความอยากก็ไม่ใช่จิตความอยากเป็นกิเลสเป็นสังขารที่แปลปลอมขึ้นมาไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ว่ามันอยากขึ้นมา ฝึกแยกนะมันจะแยกขันห้าไปเรื่อยๆในยานิตวันนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นอ่อนแอไปนิดหน่อยอเชิญจิรัสเขาเฉลยเลยเดี๋ยวถูกยึดไว้กลางทางวันนี้จิตเขาให้มาสรรเสริญหลวงพ่อครับให้อะไรนะให้มาสรนเสริญหลวงพ่อรเราไม่ปไปแลสรนเสริญกันอินทาของคู่กัน ข, ขออนุ ญ, ญาตสรนเสริญท่านหน่อยเพราะว่าวันนี้คนเยอะแล้วก็แล้วก็มันบ่นมานานแล้วฮะ ่ออ็ผมว่าที่หลวงพ่อสอนผมตอนอยู่ที่แจสโกผมว่าท่า น, านสอนสอนดีมากเลยครับแล้วก็พอมาที่วัดก็รู้สึกว่ า, วาท่านสอนดีกว่าเก่าเลยนะครับแล้วก็เรียนไปก็รู้สึกว่าอคําทักของท่านบางคําทำให้ทำให้คนเขาเพ่งไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าใจขึ้นมาก็รู้เลยว่ามันก็เป็นมันก็เป็นกลยุทธ์หนึงของท่านเหมือนกัน สบายดูไปกีันะัดนะรู้ไปฝึกไปนะวันหนึ่งก็จะพ้นไปครับคือยังไม่เคยเจอใครสนุนสนองติดใจของผมเท่าหลวงพ่อเลยนะครับ <c oughs> ไปลองค้นคว้าดูดูเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็าสอนกันอย่างนี้ครับเมื่อ80ปีที่แล้วเขาก็สอนกันอย่างนี้ครับเมื่อ สองร้อยปีถึงเจ็ด้อปีที่แล้วเขาก็าสอนกันอย่างนี้ mm hmm. ผมไปค่อนคว้าดูเป็นพันปีที่แล้วนะครับในตำรายังมีสอนอย่างนี้เลยนี mm ่ย hmm. ที่ทักไปว่าสุดลูกศิธิ์ก็นั่งอยู่นะครับครูบาอาจารย์ก็จะทักไปว่า mm hmm. ยุดเพื่อให้จิตมันออกมา mm hmm. ลูกศิธิ์จะได้มีโอกาสได้เห็นจิตบ้าง mm hmm. ที่ท่านทักก็เผลอไปเผลอไปผมนึกว่าท่านคิดกันเองอะไรเงี้ยก็ จริงๆแล้วท่านไม่ได้เจตนาจะเอาจากใครมาแต่มันตรงกันไปเองอ ม, มันตรงน่เคยมีพระจีนองหนึ่งชื่อท่านวิศวพัฒน์นี้เก่งมากอายุไม่มากนะเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติแล้วไปบวชเป็นพระจีนแปลคำพีจีนามาเยอะเลยท่านวิศวพัฒ์บอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะสอดคล้องกับคำภีร์อะไรนะอวัตังสกะ คนดูที่ทิเบตก็สอนอย่างนี้ที่จีนก็สอนอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นก็สอนอย่างนี้สอนทั้งทําอธิบายสอนทั้งการปฏิบัติสิ่งที่ท่านทำทําให้ทําให้คนเห็นจิตขึ้นมาได้จริงๆการเห็นจิตจะเกิดเห็นจิตจริงๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกว่าตื่นตื่นสักครั้งหนึ่งแล้วจิตมันจะเห็นจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจะเห็นอยู่เรื่อยเรืเรานึกว่าเราเพ่งมันก็เห็นจิตอยู่เราเนึกว่าเราเผลอมันก็เห็นจิตอยู่เพราะจิตเห็นจิตอย่างนี้มันจิตจริงจะเห็นจิตจับแจ้งได้อืใช่เพราะมันต้องเห็นสภาวะะน เห็นไปจนกระทั่งแจ่มแจ้งแจมแจ้งในความเป็นไตรลักษณ์ของมันแล้วมันจะวางเส้นทางนี้สั้นนิดเดียวเป็นเส้นทางที่รัดสั้นแต่ถ้าไม่เห็นสภาวานะนีเส้นทางนี้จะยาวไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้นที่หลวงพ่อตอนออกมาสอนแบบนี้ใหม่ๆนี่ครูบาอาจารย์เตือนเหมือนกันว่าอันตรายนะเราบอกว่าเราความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งเลยนะเราสอนแบบเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกจริงๆเลยนะแบบ อ, อะไรจะเกิดก็เกิดเลย ปรากฏว่าถึงวันนี้เนี่ยหลวงพ่อมีพยานเกิดขึ้นเยอะแยะเลยคนที่เข้าใจขึ้นมาเห็นสภาวะขึ้นมาชีวิตจิตใจของเขาเปลี่ยนแปลงซึ่งซึ่งหน้าเลยคนเหล่านี้เป็นพยานให้หลวงพ่อได้ว่าจริงๆแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงๆนะพ้นทุกได้จริงสําหรับผู้ปฏิบัติจริงๆฝึกเอาวันหนึ่งก็จะพ้นทุกข์ไปก็ก็ผมก็ เคยนึกถึงจะขอย่าวหน่อยนะครับผมเคยนึกถึงว่าเอ๊ะทาไมท่านต้องให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้มันมันวุ่นวายอะแยกอะไรแต่เพิ่งเข้าใจว่าท่านเหมือนนักนักเลี้ยงบ่อนสับขาหลอกนะครับใช่ล่อเราออกจากโกนะครับพอท่านจะเตะจะเตะเราก็วิ่งออกไปท่านจะเตะจะเตะเรื่เสียววิ่งออกไปรับอพอวิ่งออกมาตั้งเยอะแล้วท่านจะเงื้อเท้าเตะท่านท่านหยุดเฉยเลยอแล้วท่านก็มองเรายิ้มๆนะฮะแล้วท่านก็เลี้ยงไปเตะประตูอื่นต่อเราออกมาตั้งไกลโกแล้ว หันกลับพรที่โกประตูมันว่างทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรนะภาวนาไปนะแล้วจะเห็นไม่มีอะไรหรอกแต่ส่งไปข้างหลัง <c oughs> อ, นนอันนี้ก็ได้นวลหญิงจะพูดอะไรบ้านี่ก็เป็นพญานกคนนึงเอาว่าไปกรรมน้ำมศการค่ะส่งการบ้านทีนี้ของโยมนะคะไม่ทราบว่าขณะที่ส่งการบ้านเนี้ยโยมเพ่งและประคองหรือเปล่าเจ้าค่ะ ขนานี้เหรอขนานี้มันเกินจริงนิดหน่อยไปกดเอาไว้นิดเดียวนะที่ฝึกอยู่จดีแล้วอีกคิดมากกลัวตัวกลัวตัวเองติดเพ่งกับติดประคองอะคะ่ะประคองกับเพ่งดูง่ายนะประคองหรือเพ่งเนี่ยอันแรกเกิดจากอยากปฏิบัติก่อนคนะเสร็จแล้วก็ไปจ้องเอาไว้ไปรักษ า, าไว้ผลที่เกิดขึ้นมาใจจะแข็งแข็งแต่นจะแข็งอยู่นิดนึงให้เรารู้ของเราเองถ้าจะปฏิบัติแล้วก็เริ่มด้วยความอยากเนี่ยทําผิดละ หือขณะที่ปฏิบัติไปกําหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้อันนี้ก็ผิดละถ้ามันภาวนาไปแล้วมันแข็งแข็งขึ้นมาแข็งแข็งนี้เป็นวิบากแสดงว่าทําผิดละหลวงพ่อเจ้าคะถ้ายมรู้สึกว่าเพ่งเมื่อไหร่เนี่ยยมจะรู้สึกตัวว่าเออตอนนี้เพ่งอยู่เขาก็จะคลายลงใช่อันนั้นถูกต้องไหมับถ้าถูกต้องนะอเราจะเห็นเลยจิตมันเคยชินจะเพ่งมันก็เพ่งมันทําของมันเองดูอ ย, อ, อย่างนี้เราอย่าไปช่วยมันเพ่งกันแล้ว ก, กัน แล้วบางทีดูไปเรื่อยๆดูไปดูมา ก, ามก็ปรากฏว่ามันไม่รู้จะดูอะไรอืให้รู้ว่าไม่รู้จะดูอะไรให้รู้ว่ากำลังอยากยาหาอะไรมาดูเช้ค่ะน่าเชิญโยมกลับบ้านไปหมดเวลาเขาคุยกับพระ